พัฒจักสองร้อยสิกษิูกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยชานและตติยชานแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ทุติยชานและตติยชานข้าพเจ้าเป็นผู้ชํานาญข้าพเจ้าทําทุติยชานและตติยชานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกภิสูุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่า ข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานและจตุตฌานแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ทุติยฌานและจตุตฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำทุติยฌานและจตุตฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่า ข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานและสุญญตาวิโมกแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานและอนิมิตตาวิโมทุติยฌานและอปปนิหิตตาวิโมทุติยฌานและสุญญตาสมาธิทุติยฌานและอนิมิตตสมาธิทุติยฌานและอปปนิหิตตสมาธิทุติยฌานและอนิมิตตสมาบัติ ทุติยชานและอภปณิหิตะสมาบัติทุติยชานและวิชาสาทุติยชานและสติปทานสทุติยชานและสมปทาน4ทุติยชานและอิทธิบาทสทุติยชานและอินทรี่ห้าทุติยชานและพระหทุติยชานและโพชงเจทุติยชานและอริยมรรมีองค์8ทุติยชานและโสดาปฏิพัทุติยชานและสกทาคามิผล ทุติยฌานและอนาคามิผลทุติยฌานและอรหันตผลแล้วเขาพเจ้าเข้าอยู่เขาพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วเขาพเจ้าเป็นผู้ได้ทุติยฌานและอรหันตผลเขาพเจ้าเป็นผู้ชำนาญเขาพเจ้าทำทุติยฌานและอรหันตผลให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกภิกษุกล่าวเท็ศทั้งที่รู้ว่าเขาพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้วด้วยอาการสามอย่างเขาพเจ้าเข้าอยู่ ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ทุติยชานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำทุติยชานให้แจ้งแล้วข้าพเจ้าสละราคะแล้วข้าพเจ้าสละโทสะแล้วข้าพเจ้าสละค่ายพ้นและสลัดเพิ่ถอนโมหะขึ้นแล้วข้าพเจ้าเข้าทุติยชานแล้วจิตของข้าพเจ้าปลอดจากราคะข้าพเจ้าเข้า ทุติยชาแล้วจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโทสะข้าพเจ้าเข้าทุติยชาแล้วจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะต้องอาบัติปาราชิกภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยชาและปฐมชาแล้วด้วยอาการสามอย่างด้วยอาการเจ็ดอย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ทุติยชาและปฐมชา ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำทุตติยชาญและปฐมอ า, า์ให้แจ้งแล้วด้วยการเจ็ดอย่างคือวงเล็บเจ็ดอำพรางความประสงค์ต้องอบัตปาราชิกพัทจักจบเพึ่งตั้งอุตริมนุษธรรมข้อหนึ่งหนึ่งหมุนเวียนไปจนครบด้วยวิธีนี้คำที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นคำที่ท่านย่อไว